สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีค่ะคุณผู้ฟังไปกดติดตามช anel สยามตามตำนานบน y ยูทูบหรือยังคะเจ้าของเดียวกันกับพระเจอผีนะคะกดติดตามไว้ได้เลยตำนานที่เรายัางไม่รู้หรือตำนานที่อาจจะลืมหายไปในสังคมไทยไปเจอกันที่นั่นแน่นอนคะ่ะวันนี้มีเรื่องเล่าจากคุณหานใจสิงค์นะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องสยองขวัญในวันที่ไปแอบขโมยปลาวัดค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวลองมาฟังดูแล้วกัน คุณหันใจสิงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากญาติของแฟนผมเมื่อตอนที่ไปเที่ยวบ้านของเธอครั้งแรกแต่ว่าปัจจุบันนี้พี่คนนั้นเสียชีวิตไปได้หลายเดือนแล้วหลายปีแล้วเนื่องจากว่าดื่มสุรารวงเข่าหนักมากเลยก็เลยนอนไหลาตายไปเฉยๆแกชื่อพี่เคนเนะคะเดี๋ยวแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยก็ตามประษาคนบ้านนอกนั่นแหละชอบไปหาอยู่หากินจับปูจับปลาจับกบไป สองหนูสองกบตอนกั้งคืนและที่สำคัญนะแกก็ชอบไปคนเดียวด้วยเพราะว่าง่วงอยากนอนเถียงนาก็นอนได้ประมาณนี้แกเป็นคนที่มีนิสัยขี้เล่นทะลเรื่องตึงตังนิดนึงแล้วก็ชอบหยอกคนนั้นคนนี้ไปทั่วก็เลยมีแต่คนเรียกแกว่าบักจีเหรินนะคะคราวหนึ่งเนี่ย ไปเที่ยวดูหนังกลางแปลงที่หมู่บ้านใกล้ๆกันโดยเป็นรถขายยากับน้ำปลาตราหน่ อ, อไม้ที่นำมาใช้นี่แหละนะคะก็เลยมีโอกาสไปรู้จักกับเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ชวนกันไปกินเหล้าต่อที่บ้านพอหนังจบประมาณห้าทุ่มกว่าแกกับเพื่อนใหม่เนี่ยก็เดินกลับมาบ้านนั่งดื่มกินกันจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกที่นึงอ้าวเช้าซะแล้ว เพื่อนเจ้าของบ้านก็เลยเอ่ยปากชวนแกไปถวายจังหันพระที่วัดป่าตอนเช้าแกก็ตกลงไปด้วยก็เลยพากันปั่นรถทีบนะคะผ่านนาธรรมเดี๋ยวขออนุญาตขยายความนิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังที่อยู่ทางภาคกลางหรือว่าใครที่ไม่เข้าใจคือนาเนี่ย มันจะมีอยู่หลายอย่างนะคะนาตีนบ้านอันนี้ก็คือนาที่ติดกับหมู่บ้านทุ่งนาที่อยู่ใกล้ๆกันกับหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านเขาจะเรียกว่านาตีนบ้านนะคะนาโคกค่ะคุณผู้ฟังนา น, นี้จะแล้งหน่อยเหมือนเป็นลูกกัมพาพ่อกับแม่ไงอย่างนั้นเลยนะคะนาโคกนาขี้กระต่ายนาพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่สูงแล้วก็น้ําไปไม่ค่อยจะถึงสักเท่าไหร่แต่ก็ทานาได้แหละนะคะ อาจจะสู้นาทามไม่ได้เพราะว่านาทามเนี่ยดินดีติดห้วยติดน้องมีปลาดินร่วนซุยปลูกอะไรก็สวยก็งามแต่เวลาน้ำหลากมาเนี่ยนาทามเจอก่อนเพื่อนเลยนะคะนี่ก็ความหมายของคำว่านาทามบี B ก็เข้าใจตามนี้ก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังตามนี้นะคะทีนี้พอถีบจักรยานจนมาถึงวัด ยังคงเป็นเหมือนวัดป่าแบบดั้งเดิมค่ะคือเงียบกริบแล้วก็มีป่าไม้รอบวัดเลยมีบ่อน้ําใหญ่ท้ายวัดด้วยนะซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งยื่นออกไปนอกวัดแล้วก็แกก็ไปยืนดูบ่อน้ําเห็นปลากระโดดไปมาก็เลยคิดว่าเ อ, อปลาในบ่อนี้คงจะเยอะน่าดูเลยหลังจากกลับมาจากวัดค่ะแกก็ขอตัวกลับไปหมู่บ้านแต่ว่าความคิดในหัวคือคือนนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปเอาปลาในบ่อบ่อ น, นั้นให้ได้ จนเวลาล่วงเลยไปถึงเวลาพลบค่าแกก็เตรียมอุปกรณ์ของแกมามีกระสอบมีตาข่ายไม้ไล่มองแกก็เดินลัดเลาะมาตามคันนาผ่านหน้าทามเก่ามาจนถึงบ่อน้ำท้ายวัดเวลาตอนนั้นนี่น่าจะประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มกว่าๆนะคะแกก็มองหาทางที่จะลงไปเอาไม้ปกักแล้วก็เอาตาข่ายไปขึงฉับพลันแกก็ได้ยินเสียงมะลอยลักเอาป่าในวัดม่นบ่ บ่ย่านบาปตีละแกก็หันไปดูเลยค่ะเห็นลุงแก่ๆคนนึงหน้าตาแบบหน้าเกลียดเลยนะใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงขา ก, ก้วยผ้าข่อมาคาดเอวยืนสูบยาเส้นอยู่ไฟแดงหวนหวนเลยนะคะโอ้ยพะลุงมันเลยเขตวัดออกมากเลยได้นันป้าก็ออกสิหลายขอจะกระสอบบาได้ิครับเฮ้ยแต่นี่มันเป็นเขตอภัยทานหลกักกเนื้อทีส่วนใหญ่น่ะมันก็อยู่ในวัดเศ้าซเศ้าซะบ่ต้องเอาดอก โอ้ยคอยก็ถือของมาตัางไกให้เอาปลาเนท่อดลูงและลวกเป็นซับ ป, ปะาเลยหรือว่าเป็นมักคะน้ายกนี่คือสีมะหามกูบอกเป็นยังจักอย่างกูเป็นผีฮึมพะไงกะหาเบาไปทัวทีบทัวแดนพียังสิมะหามเบาน้ำข้นสิมะหลอกคอยติบ่กเป็นเด็กน่อยเดอ้อนี่เดอ้อพูดจบแล้วแกก็ลงไปเอาไม้ปักที่ฝั่งก่อนเอาตาข่ายขึงแล้วก็ถือไม้อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ พอข้ามไปถึงอีกฝั่งนึงแล้วแกก็ขึ้นไปนั่งพักแกหันไปก็ตกใจอ่ะเพราะว่าลุงคนนั้นมานั่งสูบยาเส้นอยู่ข้างๆแกอีกแล้วจังไดละหมอะเมื่อไอตครับไงว่าแต่เจ้ามาตอนใดนี่ข่อยล่อยหน้า ม, มานึงหันขึ้บ่เห็นเจ้ากับกูบอกมึงแล้วว่ากูเป็นผีกูก็ม้าไว้ไปไหวกว่ามึงแล้วเนาะโฮ้ยขํากับผีสองข้ากับผีตัวเด็กน่อยถเถอะพ่อไ่อีกอย่างข่อยกับบ่ไดเอาไลายแค่กระสอบนึงนึง พอเดี๋ยเอาไปขัวตากแหงกับตม้มกับแก้มเหลากับพ่อโอ้ยบักฮาขัวใส่มึงเอ้ยมึงคือส อ, ลอหลอดไถเนาะบักจิเลนโอ้ยค่อยๆใน เ, นเดอ้อยัยเดี๋ยวมึงอยู่นีเดอ้อเดี๋ยวกูสิไปเอาป่ามาหามึงเองโอ้ยเอ้ยอยพอลุงบ่ต้องลงไปบ่ต้องลงไปให้ผมวายแ ล, แล้วล่ะตายหน้า ม, ม้ามันสิยากผมอีกจิเลินพูดเนะีฮะลุงคนนั้นก็เลยบอกว่ากูบ่มีทางตายอีกเทือนึงดอกน่าเพราะว่ากูเป็นผีเปรต หัวเลาะด้วยว่าแล้วลุงแกก็ค่อยๆเดินไปที่ริมบ่อน้ำแล้วก็ลื่นล้มหงายท้องขาสี่ปางงางเลยคุณผู้ฟังไอ้เคนเท่ากับหัวขวัญยังสนันวันไหวแล้เพิ่นถึกใจแต่แล้วแกก็ต้องลุกขึ้นยืนดูเพราะว่าลุงแกค่อย ๆ, ๆเดินลงไปในบ่อแทนที่ตัวแกจะจมนะกลับกลายเป็นว่าตัวแกสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพี่เคนบอกว่าตรงกลางบ่อถ้าวัดความลึกได้เนี่ยไม่น่าจะต่ากว่า5เมตรค่ะ แต่ว่าตอนนี้ลุงก็ยืนอยู่หน้าอยู่แค่แบบสูงแค่หน้าแข้งเท่านั้นเองแขนแกะกะย็ยาวขึ้นยาวขึ้นมือก็ใหญ่เท่ากับกระดง้งพี่เคนได้ยินเสียงข้าง้างหูบอกว่ามึงสิเอาปลาอี๋ยังปลาคอใหญ่ปลาเข่งหรือสิเอาปลาตองบักจีเล่นพอพูดจบแล้วแกะก็มองไปข้างหน้าร่างของลุงกลายเป็นเ ป, นเปรตค่ะสูงเท่าต้นตาลแล้วแกะก็หันตัวกลับมาในมือเนี่ยถือปลาช่อนอยู่จะยื่นมาให้ ตอนนั้นล้วค่ะที่พี่เคนของเราหรือว่าบักจิเหลิร์นของเราเนี่ยไม่อยู่ละกลัวตกใจร้องตะโกนไปบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วนะคะพลางก็ได้ยินเสียงร้องวี่ววิ่วตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดพอเข้าเขตดร ว, วัดแกก็พุ่งหล่ากระโจนเข้าไปเลยเหงื่อนี่เต็มตัวไปหมดเลยมาลอยเอาปลาวัดแมนบอนนี่ฮะแมนบอพี่เคนหันกลับไปดูเห็นเป็นหลวงพ่อรูปหนึ่งให้ยืนอยู่ ด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงก็เลยนั่งลงคุกเข่าไหว้ท่านแล้วก็พยักหน้าแทนคําตอบแล่นนี้นาตื่นมากเนี่ยก็คือพ่อพี่เปตแมนบอล่ะเอา้าหลวงหลวงพ่อคือหูครับโอ้ยไผมาหลักเอาป่าในบ่อวัดเนี่ยเปตรลุ่งบุญเติมเข้ากรสีหลอกเอาเบิรสุคนนั่นแหละบ่มียกเวน้นเออแล้วแล้วบอกผมอยู่วันเราเป็นผีแต่ว่าผมบาเสือแล้วครับหลวงพอ่อหาสอหาหยอกเล่าตัวบังหันี่ผมกับพอ่อมากครับหลวงพอ่อ เออเรากบเป็นคนอยู่บ้านเฮ้านี่ละแต่คิดจังได้กับบหูเมื่อนั้นน่ะเป็นวันพระปีกายนี่เรามาลอยเอาป่าอยู่ในบอ่อนั่นแหละพ่อกับไปวาสีไปยางแกมเหล่าอยู่ทียงหน้าเมาลับล้มผัดไหมอ้อยไฟไปติดเอาเถียงถีแล้วนอนอยู่นะ่ะไฟก็เลยไหมเจ้าค้องตายจ่อยคือสิเป็นเวน่นเป็นกรรมตามท่านละเนาะก็เลยกายมาเป็นเปรตแถววัดนี่ละรับลงพอ เล่าบอกผมว่าเยี่ยมมาเอาปลาอยู่นี่แต่ว่าผมเหมือน้าฟั่งเล่าแล้วบะเทือนี่นะคือเลามาหามผมบอกให้ไปจับปลาแต่ว่าผมกะสีเอาให้ได้เล่าก็เลยหลอกผมเออไผสีมาลักปลาเล่ากบมาเตือนเบิดนั่นละฮาลังคดเดะถือหลอกจนปวงกบมี่เทือหลังเจาะเย่าเฮ็ดยังสี่เธอมันเป็นบาป พี่เคนพยักหน้าให้ท่านแล้วก็ตามท่านไปที่กุฏิค่ะคืนนั้นพี่เคนก็ได้กางมุ้งนอนนอกชานตรงระเบียงกุฏิเสียงมันก็ยังดังวีดวดลอยมาตามลมอย่างไม่ขาดสายแกรู้สึกตัวอีกทีนึงก็ประมาณตีห้าแล้วนะคะแกก็ลุกไปดูหลวงพ่อค่ะแต่ว่าไม่พบหลวงพ่อก็คิดในใจว่าเออหลวงพ่อเนี่ยคงไปทาวัดเช้ากับพระรูปอื่นก่อนที่จะออกบิณฑบาตแกก็เลยเดินไปนั่งที่ศาลามองดูพระมี5ถึงรูป พอท่านทําวัดเสร็จก็เดินออกมาเจอแกก็เลยถามเอ้ยยอมคือมาตะเศร้าล่ะมิหยังบอ่อันคือว่าผมมาแถวนี้เมื่อคืนแต่ว่าถือเป็ดหลอกก็เลยแลนมาหลบนอนในวัดนี่ครับลุงพีมาหลักปา่าแมนบอล่ะลุงบุญเติมสั่งสอนเอาที่ล่ะแมนบอโอ้ยโศกดีไร้ครับเมื่อคืนนี่พอกันกันกบลวงพอเพื่อนผ้ามานอนอยู่กุติครับท่านบอกสั่นยุ่งหามผมแถอะกุติใสยย่ย้อมพี่เคนก็เลยชี้ไปที่กุติที่แกนอนเมื่อคืน อันลุงพีครับลงพอเพิ่นยูใสล่ะครับผมเสไดไปไหว้เพิ่นเพื่อผมสิเอาของมาถาวายเพิ่นมืออื่นโอ้ยลุงพอเพิ่นมรภาพไปอาทิตย์นึงแล้วว่ตาสิเผาแล้วเหมือว่านกอหนีย่อมพอได้ยินแบบนั้นละค่ะคุณผู้ฟังพี่เคนเราถึงกับเขาอ่อนเลยบอกหลวงพี่รูปนั้นว่าตอนบินทบาตเนี่ยขอแกออกไปด้วยแกกลัวไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีก พอกลับมาถึงหมู่บ้านค่ะตัวแกเองก็เลยตัดสินใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับลุงบุญเติมแล้วก็หลวงพ่อรูปนั้นเป็นเวลาหนึ่งพันษาแล้วพอศึกออกมาแกก็กลายเป็นคนนิ่งๆไม่พูดจาทะเลนทะลึ่งตึงตังเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหละนะคะขอบคุณที่มาจากคุณหารใจสิงด้วยค่ะโชคดีหน่อยนึงนะคะที่เผอิญว่าไปเจอเรื่องของคุณหารเข้าแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าต้อง ใช้ทักษะสูงมากในการพูดภาษานี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรียกว่าเป็นภาษาต่างประเทศเลยนะคุณผู้ฟังบี B. เองเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะคะอาจจะพู ด, พดไม่ค่อยซัดสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเนื่องจากว่าเจ็บกกริ้นนะคะเรื่องต่อไปเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องที่บีจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะนั่นคือเรื่อง คืนสุดท้ายก่อนที่จะลาสิกขาค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณหานใจสิงห์อีกเช่นเคยบอกว่าเป็นประสบการณ์ตอนบวชนะคะคุณหานใจสิงห์บอกว่าผมกับเพื่อนนี่ได้บวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนครบหนึ่งเดือนแล้วก็คืนสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันลาสิกขาหลวงตาพระลูกวัด ท่านมาืวานให้คุณหานเนี่ยไปกับเพื่อนช่วยขนเก้าอี้ขนโต๊ะแล้วก็หนังสือมาเตรียมไว้เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพระมาบวชใหม่เกือบ10รูปที่ท่านมืวานคุณหานกับเพื่อนก็ประวัติพระลูกวัดท่านอ่ะท่านอื่นเนี่ยนะคะคือท่านติดกิจนิมนต์ไปงานศพกันก็เลยบอกว่าของทั้งหมดอยู่ชั้นบนของกุฏิข้างๆโรงทานห้องข้างในสุดนะพอท่านเอากุญแจให้ก็เดินไปกับเพื่อนที่กุฏินั้นค่ะ เดินขึ้นไปบนบันไดถึงชั้นสองแล้วก็มองไปเห็นห้องอยู่สี่ห้องเรียงกันแต่ว่าทุกห้องนี่คือคลองแม่กุญแจไว้หมดเลยนะก็เดินไปจนถึงห้องสุดท้ายที่เป็นห้องเก็บของก็แปลกใจตรงที่ว่าเอ่ห้องที่สองเนี่ยมันมีผ้าสีเขียวโผล่มาจากใต้ประตูคือประตูห้องมันจะยกสูงจากพื้นประมาณ 4-5 นิ้ว ทีนี้คุณหานกับเพื่อนก็เลยเดินข้ามไปไม่ได้คิดอะไรก็ขนเก้าอี้ขนของลงมาแล้วก็ทุกครั้งที่กลับขึ้นไปผ้าเขียวเนี่ยก็โผล่ออกมาคือมันจะยื่นออกมามากขึ้นเสมอประมาณสองสนิ้วจนรอบสุดท้ายนะคะที่ขนกันเสร็จแล้วเพื่อนที่เดินมาตามหลังคือเผลอไปเหยียบผ้าเขียวเข้าแล้วก็มีเสียงดังออกมาจากในห้องเป็นเสียงที่ร้องว่าโอ๊ยนะคะทีนี้ เพื่อนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคือเสียงอะไรก็เลยก้มลงไปมองดูคือเอาหน้าแนบช่องประตูด้านล่างนี่แหละคือพอมองดูเสร็จก็นิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะรีบเดินมานั่งตรงระเบียงข้างๆก็เลยเดินไปก้มดูบ้างว่าเห็นอะไรสิ่งที่เห็นจากช่องใต้ประตูคือใบหน้าของผู้หญิงผิวขาวปากแดงกาลังนอนหันหน้าออกมามองแบบตาประสานตาค่ะระยะประชิดกันแค่คืบเดียว ที่หูของเธอคือทัดดอกชบาสีแดงและที่สำคัญผ้าสีเขียวที่โผล่มาจากประตูนั้นคือสบายที่เธอใส่อยู่นั่นเองเธอยิ้มแล้วก็พูดว่ามองอะไรจ๊ะพร้อมกับทำเสียงหัวเราะในลำคอนะคะตอนนั้นนี่รู้สึกเหมือนจะวูบเลยนะแล้วก็ค่อยๆลุกกลับมานั่งกับเพื่อนพอตอนกำลังจะเดินลงก็ได้ยินเสียงลูกบิดห้องที่สองหมุนดังแกรกมาจากห้องข้างในนะห้องข้างๆนะคะพร้อมกับเสียงพูดว่าจะเข้ามาไหม คุณหารกับเพื่อนเนี่ยรีบวิ่งลงบันไดทันทีทีนี้พอลงมาก็เจอหลวงตายืนอยู่ท่านก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามานี่หลวงตาจะให้ดูอะไรแล้วท่านก็พาไปยังกุฏิ ที่อยู่ด้านหลังกุฏิเมื่อสักครู่นี้นะคะไปยืนอยู่บนระเบียงซึ่งตรงกับห้องที่สองนั้นพอดีแล้วท่านก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปในห้องนั้นที่เปิดหน้าต่างไว้สิ่งที่เห็นก็คือชุดไทยค่ะของผู้หญิงที่ใส่ไว้กับหุ่นขนาดเท่าคนจริงตั้งอยู่ตรงเสากลางห้องคือเห็นแล้วขนลุกไปหมดเลยทั้งตัวเลยนะท่านบอกอีกนะคว่าที่เจอนางตะเคียนที่สิงอยู่ในห้องนั้นซึ่งห้องนั้นน่ยมันมีเสาตกน้ํามันอยู่พระลูกวัดนี่อยู่กันไม่ได้เลยก็เลยต้องปิดห้อง เอาไว้ไม่ได้ใช้แต่เธอก็ไม่ได้ทดําร้ายใครหรอกนะเว้นแต่พระที่ประพฤติตนไม่ดีบางทีแอบมาโทรศัพท์คุยกับสีกาบ้างแอบมากินข้าวแอบมาดูดกัญชาบางรูปค่ะเจอเธอโผล่ออกมาจากประตูชี้หน้าด่าเลยก็มีแต่ที่คุณหานกับเพื่อนเจอนะี่ยคืออาจจะแค่มาหยอกเล่นเฉยๆก็ได้ก็เลยเงียบนะคะได้แต่คิดในใจว่าเออถ้าหยอกเล่นแบบนี้เนี่ยเล่นเอาเกือบช็อกตายเนี่ยก็ไม่ไหวนะพอถึงตอนเช้าค่ะ คุณหานกับเพื่อนเนี่ยก็ไปลาศิกขานะคะแล้วก็ตอนที่รถจะออกจากวัดนี่มองไปที่หน้าต่างนั้นก็ยังเห็นเธอยือนอยู่คุณหานบอกว่าผมกับเพื่อนได้แต่ยกมือไหว้ลาแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เธอนะคะเออนี่ก็เป็นเหตุการณ์ปแปลกๆอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะพระดีก็สรรเสริญพระไม่ดีผีไม่ตะเคียนก็หลอกเอาประมาณนี้แหละนะคะเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของพระเจอผีแต่ว่าอันนี้เนี่ย ถ้าคุณผู้ฟังเคยติดตามมาเนี่ยคือจะเคยเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางช n n นลพระเจอผีได้ฟังกันไปแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาคสองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถูกส่งเข้ามาจากหลวงพี่ท่านเดิมเจ้าของเรื่องพระเจอผี เมื่อสมัยนู้นนะคะนานๆแล้วโดยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเรื่องก่อนหลวงพี่ท่านเล่านะคะว่าหลังจากที่เจอเรื่องคราวนั้นไปได้4ี่วันคือผีหลวงตานั่นแหละนะคะรูปนั้นเนี่ยจะมาทุกวันเลยมาในรูปแบบเดิมๆแกก็อยากจะให้อตมานี่ออกจากกุฏิของแกไป โดยปกติแล้วอาตมาจะเปิดไฟจำวัดทุกคืนคืนที่ว่านี้ก็เปิดเหมือนกันประมาณช่วงเวลาน่าจะสี่ทุ่มได้ยูยูไฟก็ดับค่ะอาตมาตกใจมากแต่ก็ยังมีสติลุกออกมาดูข้างนอกกุฏิอื่นไม่ดับนะไฟในบริเวณวัดก็ไม่ดับจะดับเฉพาะกุฏิอาตมาอาตมาก็คิดว่าฟิวคงจะขาดก็เลยกบว่าคงจะจำวัดแบบมืดๆร้อนๆไป แต่พอเอนตัวลงนอนบนเสือทันทีที่หลับตารู้สึกเลยว่าเหมือนกับนอนเปลยังไงอย่างนั้นคือมันวิวมันไหวไปไหวมาก็ลืมตามาดูมันมืดมากจับเสือจับพื้นก็ยังปกติแต่ว่าพอหลับตานอนก็เป็นอีกซึ่งก่อนหน้านี้ที่เปิดไฟเนี่ยมันไม่เคยเป็นอาตมาก็เลยลุกขึ้นจะนั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิไปนะ มันก็เป็นเหมือนเดิมคือนั่งไปทั้งอย่างนั้นแหละเป็นชั่วโมงเลยจนสุดท้ายก็หลับไปตื่นมาอีกทีหนึ่งตีสี่เกือบตีห้าก็เผลอไปกดเปิดไฟไฟก็ใช้ได้ปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอช่วงสายโยมพ่อแวะมาที่วัดมาถวายเพลนอัตมาก็เลยเล่าให้โยมพ่อฟังโยมพ่อก็เลยเล่าย้อนไปสมัยว่าปู่ย่าตายายนับถือหลวงปู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระครูเจ้าคณะที่นี่ในสมัยก่อนแล้วก็ได้บรรจุอัฐิของหลวงปู่รูปนี้ไว้ที่ห อ, อกลางคณะโดยพ่อ ก็เลยพาอัตมาเนี่ยไปกราบแล้วก็ไปเรียนหลวงปู่ว่าอัตมาเป็นพระใหม่มาขออาศัยนอนที่กุฏิข้างหลังแต่ว่าหลวงตาเจ้าของกุฏิเก่าแก่เนี่ยแกมาไล่ท่านลาสังขารไปแล้วแต่ก็มากวนอัตมาไม่เป็นอันทำรรอะไรเลยโยมพ่อก็ได้ขอบา ร, รมีหลวงปู่เนี่ยให้ช่วยคุ้มครองอัตมาทีโยมพ่อยังได้ย้ําอีกว่าหลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากและคืนนั้นอัตมาเปิดไฟจะจําวัดไฟก็ดับอีกแล้วก็เหมือนเดิม เหมือนนอนเปพะค่ะไว้ไปไว้มา ท, ทั้งทั้งที่ปู่เสือนอนพื้นแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเพียมากก็เลยหลับไปแล้วก็ฝันเห็นหลวงตาแกมาไล่อีกเข้ามาในฝันเลยในใจก็นึกและ ว, ว่าอัตมาก็ขอบารมีหลวงปู่ท่านแล้วท่านไม่ช่วยเลยหรือเราคงมีบาปหนามากแต่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงอีกเป็นเสียงคนแก่พูดในเชิงว่าท่านมากวนหลานเราทาไม อาตมาพยายามมองแล้วก็ต้องตกใจเพราะว่าเป็นหลวงปู่ท่านที่อาตมากราบเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละแล้วพอหลวงตาเห็นก็ยกมือไหว้หลวงปู่พร้อมกับพูดว่าพระอาจารย์มาได้อย่างไรหลวงปู่ก็เลยว่าพระใหม่รูปนี้เนี่ยเป็นหลานของเราเราขอให้ท่านกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่โดยไม่รบกวนเขาได้ไหมหลวงตาว่านะคะกระผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลานพระอาจารย์กระผมจะไม่มากวนอีกแล้วหลวงตาก็หายไป ตอนนั้นอาตามาเหมือนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าฝันไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นหลวงปู่หันมาบอกหลานบวชน้อยตั้งใจนะและท่านให้คาถามาสี่ชุดค่ะตอนนั้นจำได้มแม่นเลยท่านบอกว่าก่อนใช้นี่ให้ตั้งนโมสาจบแล้วก็หยุดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่มั่นใช้ป้องกันศัตรูป้องกันได้สารพัดหากหลวงตามากวนกะท่องเลย แล้วหลวงปู่ท่านก็จากไปอัตมายกมือไหว้และกล่าวคําว่าสาธุแล้วอัตมาก็ตื่นไฟก็ติดจากนั้นอัตมาจําวัดยันเช้าแบบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนอีกเลยหลังจากคืนนั้นก็ไม่เคยเจอหลวงตาแกมาก่อกวนอีกเลยนะอัตมาบวชใกล้จะครบเดือนและเพิ่งจะม า, าสบายเอาช่วงท้ายพอเล่าถึงตรงนี้อัตมาอยากจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไม่เชื่อชูก็อย่า ย, าย่ายีของแบบนี้ต้องเจอกับตัวเท่านั้นถึงจะเข้าใจ ทีนี้บีจะขออนุญาตย้อนกลับไปถึงภาคแรกนะคุณผู้ฟังคือพระรูปนี้เนี่ยที่เล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังเนี่ยคือท่านได้บวชบวชแล้วก็ไปอยู่ในกุฏิกุฏินึงนะคะแล้วพระที่มาก่อกวนหลวงออหลวงหลวงพี่ท่านนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นพระแก่แกที่ท่านมรณภาพไปแล้วเหมือนกับประมาณว่าห่วงกุฏิห่วงอะไรประมาณนี้แหละนะคะ จะมาคอยปิดไฟเปิดไฟจะมาคอยนั่งให้เห็นจะมาคอยปรากฏร่างให้เห็นเหมือนกับประมาณวา่าจะไล่หนีเนี่ยแหละนะคะก็เป็นจุดกำเนิดของเรื่องนี้พระเจอผีภาคสองค่ะ เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณกรนะคะคุณกรบอกว่าเมื่อประมาณปี2555ช่วงเดือนเมษายนตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะบวชเป็นสัมมเนนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพพอทำพิธีบวชเสร็จก็คนสัมภาระขึ้นกุฏิตอนเย็นก็มาสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับสั ม, มเนนอีก10รูปเลยนะคะสวดกันตั้งแต่6โมงเย็นครึ่งค่ะจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มทีนี้พอสวดเสร็จก็กลับเข้ากุฏิ เพื่อที่จะจำวัดนอนนะคะคืนแรกที่นอนนี่คืนหลับไปถึงตีอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่หน้ากุฏิก็เลยเปิดประตูออกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยตัดสินใจกลับเข้าไปนอนต่อแต่ว่านอนไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงเหมือน เหมือนคนเดิมนี่แหละคือเสียงเท้าเดินไปเดินมาเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ12วันแต่พอวันที่13ซึ่งมันตรงกับวันศุกร์พอดีนะคืนนั้นกลับมากุฏิก่อนคนเดียวเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายตอนที่เดินกลับมากุฏินั้นนีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็เริ่มวันวันแล้วละ่ะคิดว่าหูคงแววเลยรีบขึ้นกุฏิไปนอนทันทีค่ะหลับไปจนกลางดึกก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อีกครั้ง แต่ว่าคราวนี้ร้องโหยหวนเสียงดังมากเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้เลยและเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆนี่เองก็เลยคิดว่าจะต้องเจออะไรเข้าแน่แล้วตอนนั้นนะคะก็นอนอยู่ในท่าตะแคงซ้ายหันหลังให้กับประตูกุติแล้วก็มีความรู้สึกอย่างแรงว่าไม่ได้นอนอยู่คนเดียวในกุติแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกมันอึดอัดแบบแปลกๆก็เลยลุกขึ้นมาพลิกตัวไปทางขวาจำเลืองมองดูแล้วเขาก็กลับมานอนอยู่ท่าตะแคงซ้ายเหมือนเดิมทันที เพราะว่าสิ่งที่หันไปเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมานั่งคุกเขา่าก้มหน้าร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหลยอยู่ข้างๆตัวผมลักษณะคือผมยาวใส่ชุดกระโปรงตอนนั้นผมตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกในใจท่องนโมแบบผิดๆถูกๆมากกว่า10จบแต่เสียงร้องไห้นั้นก็ยังคงดังอยู่ข้างๆผมตลอดทั้งคืนพอตื่นเช้ามาก็ออกบินทบาท เห็นสัปะเรศนะกําลังเข็นลงศพอยู่ก็เลยเดินเข้าไปดูตอนที่สัปะเรอเป na, bon so like right? so so, ิดฝาโลงนะคะปรากฏว่าศพที่เห็นนั่นแหละคือผู้หญิงคนเดียวกันกับที่มานั่งร้องไห้ในกุฏ oh. yes. wow. ิเมื่อคืนนี้ก็เลยถามสับปะเรศว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นอะไรตายสับปะเรอบอกว่าถูกรถเก๋งชนเสียชีวิตคาที่และได้ถุนของกุฏิที่เนนจหวัดทุกคืนน่ะเป็นที่เก็บศพผู้หญิงคนนี้ไว้โอ้พอได้ยินแบบนี้แหละวันนั้นหลังจากบินธบาตเสร็จอะไรเสร็จกลับมาวัด รีบขออนุญาตลาศิขาทันทีเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงพระเจอผีประจำวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมให้กำลังใจบีคนละเล็กละน้อยด้วยการกดติดตามช่องของเราไว้นะคะพร้อมกับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ